แตแตกต่างกันบางคห่งบางคนไม่เด่นศาสนาวัตถุก่อนอัน้นสร้างนี้ไม่มีรันเวลาหยุดยอนพนตัวสาลที่ใดก็หลีดไถ่ไปก็สร้างสาา บทือหารเสียดีต่างๆนั่นนะจนผู้คนเดือนหนายพออยู่พอพักพออาศัยตรงนี้พักตรงีอาศัยแต่าใจจะสร้างวัตถุศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรม <c oughs> มันมีหลายขัน้นเปลือกของมันเรื่องศาสนาวัตถุ เลื่องของศาสนา <c oughs> นเจตัวศาสนาจริงจังเพราะวัตถุทีกอ่อสร้างเอาไว้ก็เป็นส่วนหนึง่งที่จะให้คนเห็นว่าปุญญาตาทวดของตนเหลื่อ ง, ทงสาทางศาสนาได้ <c oughs> สร้างวัดวาอารามอไว้คนอื่นมาเห็นเข้าก็ว่ามีวัดว่าศาสนาสวยงาม ตายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ดูว่าผู้อยู่ผู้อาศัยมีทานี้ในตั้งใจมาฝึกปฏิบัติหรือไม่ถ้ามีแต่สาระวัตถุอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ทังทลายเพราะการก่อสร้างทางนอกมันสร้างได้ไม่ว่าพระไม่ว่าสาราว่า มันจเจริญขนาดปขนาดไหนก็เป็นเรื่องก่อสร้างด่านจิตใจเป็นอย่างไรนั้นนี่คืหนึ่งกานวนหาศาสนะบุคคลก็คือบุคคลนับถือศาสนาสั่งหน้าระพืชปปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้ด้ศาสนะบุคคลมีคน เ่มใสศรัท ธ, ธามีนักบวชมากหน้าหลายตาเดียกันนีศาสนาบุคคล <c oughs> ที่มาเหลื่อมใสอยู่ในศาสนาศาสนาธรรมหมายถึงใจของบุคคลที่มาเหลื่อมใสศรัท ธ, ธาต่างหน้าต่างตาลายกิเลสจนจิตใจหายจากความ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 มาพูดปฏิบัติอัดธํรพอเสียเ ม, ดม็ดดักในตั้งหน้าต่างต า, ตงาทารายกิเลสตัณหาเพียงแตอยู่ในศาสนาก็อาศัยกินนี่คือเพียงแต่ศาสนาบุคคลที่มาเลื่อมใสในศาสนาแต่ไม่ตั้งหน้าต่างตาลากิเลสคุณข่างก็เบาลงไปอ่อนลงไปไคอยจะมี คนเหลื่อมสายในนี้คนเกลือถือเพราะการทำการขูดของเขาที่แตกแ ต, ต่างไปจากหลักของธรรมของวิน <c oughs> ัยจากนั้นเองศาสนาที่พระุทธเจ้าทรงวางหลักฐานเอาไว้มอบให้จิตสามมาเนน อุบาสกอุบาสิกาเป็นผูดูแลรักษาศาสนาจะเสื่อมหรือศาสนาจะเจริญก็อาศัยบริษัททั้งสี่เป็นผูดูแลรักษาแต่บริษัททั้งสี่ไม่ดูแลรักษาศาสนามันก็เสื่อมไปแต่บริษัททั้งสี่ดูแลรักษาตังหน้าต่างตาก็คือปฏิบัติตามอัตธรรมที่สอนไว้ทิ่สุสา ม, มาเณร มีอิ่นขนาดไหนมีภาริไนยอย่างไรก็ต่างหน้าต่างตรักษาภาริัยของตนด่างพร้อยขาดหวินเสียหายคะววะมีอิ่นอย่างไรก็ต่างใจรักษาตามเทศของคารวาาะศาสนาก่อเจริญไปได้มันคงไปได้ถ้าหาก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 ทั้งทลายลงไปทามจริงก็ทั้งสองฝ่ายดูแลรักษากันถ้าไม่เข้าท่าพระไม่มีอัจนิธรรมพราย่มยีเบียดเบียนศาสนาเราที่เป็นฝ่ายบำรุงรักษาชายกทา ย, ยิกาก็ให้ระวังระววงอย่าไปบำรุงบำเรอให้เขาลืมเมื่อลืมตัวไป เพราะการไม่ประพฤติตามอาัจาตามธรรมนั้นถหากเราเกิดเหลือเกิอหนุนคนเหล่านั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นเหยียบย่ำทำลายผู้ที่ทำสังนาจังตารักษาทำดีในให้เดือดร้อ น, นวุ่นวายฉันจึงไม่ให้สนุสน้อมสนับสนุนคนชั่วถึงเรียกว่าอารัชี ผูมียางอายอยากเก็บปพฤษไปทางกายทางวาจาอย่างไรก็ปะพฤษไปตามใจตัวชอบหมาคำหนึ่งถึงถ้าทำดีในที่ทนันหักห้ามเอาไว้ส่วนบริษัทธเห็นทันมีสาเหลืองห่มอยู่คองอยู่ก็ถือว่าถ้าเป็นพระพิสุสา ม, มาเณรก็บมรุงรักษาไปแต่ทำดีใน การรักษาคงเส้นคงวาหรือไม่มันดะตรวจตาพิจเรณาเมื่อรวมตัวเหมือนทิเจเรน า, า, น ร, นารักษาอย่างนี้คนดีมันก็มีจํานวนน้อยทับวันจะล่อยหลอลงไปคนชั่วมีจํานวนมากเท่าไรก็ทําให้าศาสนาเสื่อมไปเท่านั้นเหมือนกันกันกบโรคไครมีมากเท่าไรก็ทําให้ความถูกความสบาย น้อยลงไปหรือถึงล่มถึงตายไปได้ฉะนั้นแผลของเขาถึงร่างกายของเราจะมีคุณค่าสาระอยู่ทุกสิ่งทุกส่วนเป็นที่องเห็น <c oughs> ทุกอย่างไปก่อตามภโรคร้ายมันเยียดเบียนตอนไหนที่ใดจะรักษาโดยยุกยาไม่หายเขาก็ตัดทิ้ง ปล่อยเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะถูกเสียหายไปถึงเราจะส่สงวนรักษาไม่อยากจะให้เขาตัดแตกไปถ้าปล่อยเอาไว้ส่วนใหญ่มันจะพังทลายเขาจึงตัดออกไปไม่ว่าไส้ว่ตับบวชแขนว่าขาตัดทิ โรคร้ายที่รักษาไม่หายก็ต้องตัดตรงเผ่าวไปเพื่อรักษาส่วนใหญ่ <c oughs> <c oughs> มีเรื่องพระที่ส่สามะเนนผู้รักษาศาสนาก็ทํานองเดียวกันเดี๋ยวนี้เรื่องของพระของเนนมันมีมากจํานวนเป็นแสนในประเทศไทยแต่ก็มีปริมาณตัวพระตัวเนนจริงจังนั้นจะหา เป็นยากว่าทางยากพอจิตใจที่เป็นพระเป็นเนนจริงจังมันหายากละก็หมายถึงผูกเปรตสามเณรสามณะก็หมายถึงผู้สงบกายสงบวายจาสงบจิตเลิดปัญหาถ้าสงบได้มันก็สุขกว่าสบาย ถ้าประเสริฐได้มันก็วิเศษนี่มันอวจฉาที่เจริญนาดูแลรักษาเรื่องจิตใจของตัวโดยส่วนใหญ่ <c oughs> คนอื่นมองเห็นง่ายโทษ้องตนเองมองไม่่อยเห็นคนอื่นมาตำหนิว่ากล่าวแนี้ยสอน ก็โปรธเขาว่าเขาดูหมิ่นนินทาคือไม่ยอมรับจิตของตัวคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นจิตเป็นผู้ชุชนคนหลงไม่ชอบคำตำหนินินทาชอบจะให้เขาสันลเสริญเยนินยอท่าเดียวจิตขนาดไหนก็ยังเหยยอมรับอย่างพวกนักโทษอยู่ในตารางเหมือนกันไปถามทำไมมาจิต พุกิตตะางอย่างนี้เขาหาเรื่องอย่างนั้นหาเรื่องอย่างนี้ทั้งๆที่ตัวไปทำจนเขาจับได้้าหนัง้าเขาไม่มีทางเล่นหลอดออกมาได้ก็ยังไม่ยอมจำนนตัวปุะชชนทั่วไปมันเป็นแบบนั้นไปโดนอะไรเขาก็ไปบ่นแหอนั้นตัวไม่แล้ววางรักษาตัวเองต้องมีตัวเองต้องมีแต่เรื่องอื่นไป เดินไปตามถนนหนทางไปสะดุดหลักตอเก็บปวดเข่าก็ไปโกรธให้หลักให้ตอหกล้มก็ไปโกรธให้แผ่นดินมันเป็นแบบนั้นคนแบบนี้ไม่มีทางที่จะดีจะแก่ตัวให้เป็นสมณะให้เป็นพระปุปเเสดได้เพราะไม่เห็นความชั่วภายในตัวของตัวมีคนอื่น ไปตักเตือนให้ก่อนโปรดแต่บัณฑิตในสมัยพุทธกาลท่านกล่าวสละเสริญยกย่องเป็นเอตะทะทะพร ะ, ะลาทะตามเป็นพาที่บวนเมื่อแก่ท่านคนนี้มีอายุมากแต่เกิดศรัทธา อยากจะบวชในศาสนาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์อาวาตใดท่านก็ไม่รับเพราะเห็นอายุแก่บวชมากวาจะพึ่ง้าอาศัยตัวเองไม่ได้โดยมากคนแก่ก็มากอยากจะมีพิธีมานะกล้าคนหนุม่มแนะนให้เขาก็ถือว่าหลุนหลุนหลานหลุหลนเ ล, น, ล, น, ล, น, ลนของเขาทวางรู้ของคนหนุ่ม สู่เขาไม่ได้มาอยากเกดเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ไ <c> ม <oughs> ่มีใครยอมรับที่จะเอาบวชไม้แก่มันดัดจา้าของเจะคิดแบบนั้นไปหาที่ไหนก็ไม่มีใครที่ยินดียอมรับให้บวชก็เลยต่อมา ไปพบกับภาษาลีบุตรภาษาลีบุตร เ, เลยบวชให้ภาษาลีบุตรหรือว่าเขามีอุปการะคุณแก่ท่านท่านจำแม่นท่านเป็นปลาไม่เคยลืมหลงบุญคุณของคนที่กระทำแก่ตนค ง, งจะนับเดือนนับปีมาไม่ท่วน ภาษาลีบุตรเคยไปบินธบาตเขาเคยให้ข้าวทันทัพทัพทีหนึ่งท่านไปบินธบาติท่านเ็ยจำได้ว่าความแก่คนนี้เคยเหนีวกระไรคุณแก่ท่านท่านก็ได้บวชให้เมื่อบวชมาในศาสนา <c oughs> แทนที่จะเป็นคนวายยากสอนอยากดัดยากอย่างไม้แก่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านตั้งหน้าตั้งตา ที่เยนาศึกษาหลักธรรมปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงจั ง, จ ง, จงเพราะฉันเห็นว่าอายุเราก็แจ่แล้วในจีตปีข้างหน้าเราก็จะต้องตายถ้าไม่รีบเร่งขวันขวายจะทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ในระยะที่พอจะทำได้ผมไม่มีโอกาสเวลาพอตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะ ไปเป็นผีถึงพาอาศัยเราจะรีบเร่งเจนที่จะเป็นทิกสุหนุ่มสามเณรน้อยก่าตามไปจากเตือนอะไรแก่ท่านท่านถือว่าบอกคุ้มซัพ์ให้ท่านยิ่งที่ท่านผิดท่านยอมรับถือว่าเป็นคุ้มซับที่เขาบอกให้ไม่มีการเสียใจยินดีเลื่อมใส คนจิตตกเตือนนี่หมายถึงผู้จิตละมานาทิฐิละกิเลสตัญหาละความชั่วออกจากกายวาจายใจทองตัวยอมผิดสิ่งที่มันผิดไม่ได้ถือว่าคนนั้นยังหนุ่มยังน้อยยังเด็กยังเล็กถ้าบอกเตือนว่าอันนั้นมันผิด ที่เจน่าแล้วเห็นบ่ามันผิดจริงแต่จะยอมรับยอมแกไขสิ่งผิดที่ท่านทํท่านพูดไปราชราธัธรรมท่า <c> น <oughs> เป็นอย่างนั้นขันต่างหน้าต่างตาปฏิบัติตามสาสนาธรรมที่พระพุทธเจา้าทรงสอนและครูอาจารย์เนี้ย ให้ตั้งใจทำจริงจังผลที่สุดทันก็ถึงดีมุกเป็นพระอาหารอาหารัตอรหันตพระพุทธเจ้าท่านก็อสงสงละเสริญยกย่องไอเอตัทคะทั้งว่านอนหอนง่ามีหมายชิงราทพาพรม <c oughs> เราสมัยนี้คนแบบนั้นหายยากไม่ว่าคนแก่ไม่ว่าคนน ม, มโดยมาก มักจำกนิคนอื่นเรื่องอื่นไในจากนิตนของตอนเหตุนั้นจี烈ตัญหามันจึงไม่มีเวลาที่จะหลุดลอยไปจากกายจากใจของตัวเคยชั่วเคยเสียอย่างไรเคยชั่ ว, วเคเสียมาตลอดระยะเวลาถ้าหากตัณหาตังตาสังเกตเหตุการณ์มีสติ จดจ้องมองดูจิตใจของตัวอยู่ทุกระยะเวลาอะไรเกิดมาก็ให้ทราบมีปัญญาวิจัยวิจารว่าอันนี้ผิดถูกดีชั่วอย่างไรควรจะยึดถือไว้ด้วยจะปล่อยวางไปถ้าหามีสติมีปัญญารักษาใจอย่างนั้นใจจะปลอดภัย ใจจะสุขใจจะสบายใจจะเยือกเย็นนิ่งเดือดรัวคนถี่มีอาวุธคือสติปัญญาแต่ไม่กลัวสำหรับคนชั่วคนเสียคนทิฏฐิมานะคนไม่สำราญตัวเองเอาทุกคนที่พระพุทธเจ้ามอบศาสนาให้ ก็คือ น, นำมาที่นี่พิจาจรารักษากายวายใจยใจของตัวศาสนานอกมันจะเสื่อมสูญทลายไปก็เป็นเรื่องภายนอกไม่ทำให้เราชั่วเราเสียเราสุขเราทุกข์ได้เหมือนกันกับคนอื่นเขาเจ็บเขาตายเราสุขเราสบายเราก็ไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าถูกถูกตัวเราเองเล่ะเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ไม่สะดวกสบายจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรก็ขัดข้องทงนั้นนี่คือถูกตัวเราเองเรื่องของศาสนาก็กทำนองเดียวกันหากเรารักษากายวายจาใจของเราให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมถีพระพุทธเจ้าทรงสอน จิต ใ, ใจเราจเจริญก้าวหน้ามีสติมีปัญญามีศีลมีสมาธิภายในตัวถึงคนอื่นเขาจะเสื่อมจะเสียไม่ตั้งหน้าตั้งตารักษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกดตามแต่เรารักษากายวาจาของเราอยู่สม่ำเสมอ เราพินิที่เจนาจริงๆ่วดเสียกิเลสทำเด็กพูดไม่มีใจของเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายสุขสบายจะไปสถานที่ใดสางาคาเผยไม่คิดว่าคนนั้นจะยกโทษว่าเราทำเราพูดอันนั้นผิดอย่างนี้อย่างนั้นคนที่มีศีล บริสุทธิ์ในคนเป็นผู้สมามาดอาภารไปสถานที่ใดก็ได้สะดวกสบายคนที่ทุสีนไม่มีสีนในตัวทำชั่วทำเสียจะไปสถานที่ใดก็ระวังระวังกลัวเรยงต่างๆความชั่ว มีอยู่ในตัวถึงคนอื่นเขาไม่รู้จักแต่ก็ระแวงในใจแบะคนนั้นเขาคงเห็นคนนั้นเขาคงรู้เรื่องชั่วเรื่องเสียของตัวมันก็เลยเนี่ยองอาจต่าหานให้หากเรารักษาศีลบริสุทธ์ปลอดภัยแล้วไปสถานที่ใดก็องอาจตะหาน ศีลจึงเป็ น, นเรื่องสำคัญโลกปัจจุบันเดือดร้อนวุ่นวายข <c oughs> าดันยิงบุ่นก็ควรนกันล <c oughs> บลาสะแทงกันอยู่ทุกแย่งทุกผลสมัยนี้ก็เพราะเรื่องของศีล น, นั่นเองศีลไม่มีในคนนันนั้น มันจึงเป็นแบบนั้นโลกทึ่ไม่มีวันสงบระงับนี่หมายถึงตัดโลกคนในโลกถ้าหากไม่มีศีลเท่านั้นโลกนี้ก็ควนฝันหาความสงบสุขไม่ได้ตัวของเราเองาาถ้าติดศีลไม่มีศีลในตัวมันก็วุ่นวายสำนองเดียวกัน จิตก็ไม่มีวันที่จะสงบรัง้งก็เป็นสมาธิไินได้เพราะไม่มีศีลเป็นพืน้นฐานเหมือนกันกับคนปลูกบ้าน้าไม่มีที่ดินแล้วจะไปปลูกบนากาศาสตรต้องปลูกไม่ได้จะปลูกเล็กปลูกใหญ่ต้องอาศัยพื้นฐานคือแผ่นดินเชือก่อน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 แต่ตัวจิตใจจริงจังไม่สามารถที่จะเป็นสมาธิดีงามได้เพราะเรื่องศีลของแผ่นยังไม่บริสุทธิ์นยังทำผิดพูดผิดไปในบางสิ่งบางอย่างถึงนักปราชญ์ทั่วไปในสละเสริญศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญ ตัวสำคัญของศาสนาเป็นหัวใจของศาสนา้าติาพระพิสุสา ม, มาเนนไม่มีศีลทถานั้นถึงมีเพศเป็นชาเป็นเนนอยู่ก็เพียงแต่เทศแต่จิตใจภายในไม่เป็นชาเป็นเนนให้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 ่อเข้าไปทำจิตเข้าไปเหมือนกันกับคนคอขาดเหมือนกันกับตานยอดด้วนเหมือนกันกับใบไม้ที่เหลืองหลนลงมาเหมือนกันกับหินที่แตกออกจากกันไม่มีวันที่จะดีปกติได้านคนคอขาดที่ร่างกายจะยัง ดีอยู่กบตามคนนั้นไม่มีแพทย์ที่ไหนหมอที่ไหนจะมาติดต่อคอของเขาให้มีชีวิตยืนยงไปอีกได้คนนั้นจะต้องตายตาหยอดด่วนก็ทำนองเยียวกันไม่มีวันที่จะ ง, งอกขึ้นอีกถ้าวันด่วนแล้วใบ ไ, ไม้เหลืองที่นหน่วงลงมาจากต้นจากขั่วของมันก็ทำนองเยียวกัน เราจะเอายางเหนียวๆไปติดเอาไว้ม ok ันก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยวสดงดงามมาอีกนี่แต่มันจะเหนียวจะแห้งจะตกจะหล่นเท่านั้นหินแตกกับทานองเดียวกันเราจะยาเาไว้เพื่อให้มันปกติอย่างเดิมมันปกติไปไม่ได้มันจะต้องเห็นรอย จีปะจียาวไว้มีเรื่องของศีลก็ทํานองเดียวกันจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่พระพิสุไม่มีศีลนันก็หมดเรื่องของสมาธิเรื่องปัญญาก็เป็นสัญญาไปในสามารถที่จะแก้ไขใจให้บริสุทธิ์ดังนั้นเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องสําคัญท่านจึงว่า ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของผู้นับถือศาสนาจะต้องศึกษา <c oughs> <c oughs> เพราะศีลนั้นถ้ามีไปจำคนใดแล้วคนนั้นสงงาผ่าเผยคนนั้นสุขสบายทำโลกทั่วไปไม่ให้วุ่นวายทำโลกให้สงบผูดเหนงอะ่ะ อย่างปาณาธิบะตม่ใ้ากันเบียดเบียนกันอาินาทานไมห้ขโมยของกันการมีสุนิชชาจานไม่ให้ประพ ฤ, ฤ, ฤ, ฤตววิผิดในตระเวณนีมุสาไมหพูดเท็ดสุรามหดืม่มนำเมาห้าขอ้อนี้เป็นสิน ที่ทุกคนควรรักษาถ้าไมรักษาโลกอันนี้จะเป็นอย่างไรเกืดอเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้เห็นกันตีกันฆ่ากันเบียดเบียนกันมันไม่มีความสงบมันมมีความสุข เห็นอะไรที่ไหนก็ขโมยของกันอย่างจริงขี่ปนกันมันจะสูกจะสบายที่ไหนได้เวณีก็เหมือนกันในส่วนความถูกความสบายเกิดขึ้นในครอบครัวใดก็แตกกันถึงอยู่ด้วยกันก็ไม่ตั้งมั่นมีสมบัติเข่าของมากมาย ขนาดไหนใจก็กว่สุขไห่สบายแล้วแวงกันอยู่อย่างนั้นมันเป็นทางเดือดร้อนทางวุ่นวายกันโกโหกพกลมกันก่นทํานองเดียวกันดื็นเป็นเรื่องสำคัญสุลาการดื่มสุลาถิอ <c oughs> ว่าเป็นการดื่มในสังคมเข้าสังคม ถ้าไม่ดื่มสุราเขาก็ถือว่าเขาสังคมไห่ได้นี่เป็นภาษาสมัยปัจจุบันเขาถือกันแต่มันก็ไม่จริงให้พอมันผิดจากศีลที่พระพุทธเ จ, จา้จาทรงสัดเอาไว้ดื่มเข้าไปมันเป็นอย่างไรสุราบ้าอยู่ในตัวมกห้าสิบเอร์เ็น0แล้ว เอาบ่าสุรามาเพิ่มคาอีกนึงเต็มร้อยแต่นวลมอใหญ่มนก็่อไปไม่ถูกพูดตรงนี้ทราบว่าทำไหนควรไห่ควรทำละอายในจิตในใจก่อนมีทำใส่ตองที่นี้พแจานณาอะไรก็เสื่อมลงไปทางสติปัญญาคนที่ขี่เมาอย่างนั้นเขาไ ม, ไม่ถือว่าเป็นคนหยิบคนดี มันทำให้เสื่อมให้เสียตามจริงญาจริงสอนให้รักษาเราควรผูกรักษาศาสนาก็คือรักษากายรักษากายใรักษาใจท่องตัวจิตในจิตเฉียบจิตเสียถิตพระพุทธเจ้าทรงสอนถานามาที่นี้พิจหน้าเดี๋ยใจจริงไม่เข้าตัวแล้ว เรื่องธรรมนี้ในที่ทสอนของผู้ธจเจ้าสอนไปไหนว่าส่วนใดถูกต้องแน่นยํำไม่มีลาสมัยตามภาษากี่คนบ่าคนบอเขาพูดกันมีแต่ทันสมัยสงบเงียบสุขสบาย อาบุพธปฏิบัติได้ตามที่ขันเณรสอนแต่สมัยนี้ขันว่าทำผูดของเขาผูดไปเกแปะเขาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปนี่เป็นภาษาที่เขาปลูกขึ้น ูกกันขึ้นคนกว่านี้ยมเชื่อถือว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นทําดีใดดีมีที่ไหนทําชั่วใดดีมีทมไปนี่เข้ามาในพิแกนะถึงหลักทำดีไหนหากี่แกนะโดย จิตโดยใจบริสุทธิ์แล้วคำพูดเช่นนี้จะไม่มีมูลความจริงไม่นควรนิยมชมชอบไม่นควรหลงไหลไปตามคำพูดของเขาคนทำดีได้ดีมีดาดดื่นคนทำชั่วได้ชั่วก็วนับไม่ถ้วนความจริง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 ในสิ่งศิลปตนป่าถนาถ้าหาเขามาทำชั่วกับเราแบบนั้นเราจะพอใจไหมล่ะถึาเขามาขโมยของเรามาโกงของเราเอาไปเราพอใจไหมดีไหมถ้าคนทั่วไปทำแบบนั้นจะเป็นอย่างไรกันโลกอันนี้นั่นก็พอพูดได้ว่าโลกอันนี้จะไม่มีความสุขความสบายจะวุ่นวายเดือดร้อน มีคือยูได้กเพราะเขาไม่ถือพาสิส่วนนี้ทําดียังใดดีโอเควะทําทดีแล้วความดีจะมีตอบแทนเราตอบแทนเราไหวเขาเขาก็ไหวเราตอบเราตีเขาเราด่าเขาเขาก็ตะดาเราตอบตีเราตอบโอเคเขาจะยินดีในการทําชั่วของตัวอย่างนั้น คำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะผ่านาการเวลามานานตั้งสองพันกว่าปีไปยังดียังบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าสมัยมีกิเลสทันหมดกิเลสทันพูดไม่ได้เข้าตัวเหมือนผู้ทุกชนคนเราธรรมดาจิง่งใดที่สันต์เอาไว้ว่าสิ่งนั้นผิด สิ่งนั้นจะต้องผิดเลื่อยไฟทั้งๆที่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่ามันผิดว่าท่านตัดเอาไว้แต่มันก็อยู่ในขอบผิดผิดเพราะพู้ใช้จ่าตัดเอาไว้เพราะสารีพยานไกลอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นอย่างไรท่านทราบไม่สายตาสั่นเหมือนพวกเรา ท่านต่อใจทุกสิ่งทุกอย่างท่านจงนำมาสอนโลกรู้จักจิตถูกดีชั่วในเหมือนวกคนธรรมดาที่ว่ามีสติปัญญาปัญญาชนอย่างนั้นอย่างนี้ยันจบปริยมปริยาจจียงขนาดนั้นขนาดนี้มาสร้างกฎหมายเห็นไหมะ วันสามวันล้างใหม่กฎหมายในทันสมัยเขาต้องพบไม่ได้รัฐบานนี่ร่มลงไปรัฐบาลใหม่สร้างขึ้นอีกทั้งอยูอ่เรื่อยเรื่องกฎหมายส่วนคำสอนของพระไเจ้ายังคงเสร็จขคงวางมีอะไรเสียาหายนะยังดียังดีเศษ ย, ยังใช้ได้ทางทางจิต สองพันห้ากว่าปีมาแล้วยังนำสมัยในเหมือนปัญญาชนสมัยใหม่เขียวตีว่าเขาเก่งเขาวิเศษแต่ทำอะไรแล้วประเดียวๆหมดคุณค่าหมดราคา ท, าทำคำสอนของพุทธเจ้าเป็นของดีอย่างนั้นพูจี ทีนี้พิจาาผู้มีปัญญาภายในใจเรื่มใส่ศรัทธายอมกล่าวว่าสัรยะเพราะเป็นของที่มีคุณค่าสัระจริงจังแต่คนผู้ทุชนธรรมดาเมื่อพิจารณาอะไรนั้นมันก็อีกอย่างเขาเห็นอะไรเหมือนคนจับซุบออ ว่าอากามันจะกว่างใหญ่ไพศานขนาดไหนก็มองไม่เห็นแสงคิดแสงจันทร์มันจะสว่างสวยขนาดไห น, นก็มองไม่เห็นเพราะมันบอดมีปัญญาของพวกเราเองก็ทำนองนั้นมันบอดหรือมันมีก็มีนิดๆิหน่อยหน่อยเหมือนแสงหิ้งห้อยมันไม่มาก เหมือนพระพุทดเจ้ายังจะจะรักษากายใจของตัวให้สุขให้สบายมันก็ยากไม่ใ okay, ชว่าดูถูกมินาทั้งทั้งที่เราไม่ปรารถนาบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขเป็นเพราะดาว่า เราดูมินนินทาด้วยความโลภมันเกิดขึ้นมาจะทำละจิตใจของตัวให้ผนไปจากสิเหล่านั้นมันยังไม่ทันแต่ว่าเรามีปัญญาอะไรกันแบบนั้นรักษาใจตัวเองก็ยังไม่ปลอดภัยเดี๋ยวให้เกิดโลกเดี๋ยวให้เกิดโกรธ เกิดหลงอยู่อย่างนั้นหลงอารมณ์สัญญาของตัวเพราะปัญญาไม่มีถ้าปัญญามีาญญาาไม่ต้องไปเดบีสอบเอาปัญญากับเขาไม่ต้องแต่เอาไปประกาศนิยบัตมาจิตหน้าผาแต่หากอารมณ์สัญญาอะไรเกิดขึ้นมาที่อยาเป็นจิตเป็นใจ ท, ทำใจแห่ง ว่าวุ่นควณมัวท่านจะต้องแก้ไขตกออกไปอยู่สุกกายสุกใจของท่านนั่นคือคนมีปัญญานะครับตัวของตัวให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะสิ่งใดเป็นคิดเป็นภัยเกิดขึ้นก็ท่านเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมากว่าสำลัมันไปจิงที่ทดา ที่ทำใจของตัวให้หุ่นวายเดือดร้อนท่านมันเก็บเอาไว้เหมือนกันกับคนที่รู้จักไฟรู้จักอสรลัทิ์ทิท่านมันไปเหยียบไปจับพอมันเป็นคิดหมอมันกัดมันต่อยแล้วก็เจ็บปวด จึงกลัวจึงระวังรักษาในตจที่จะไปแต่ต้องจิตใจคนที่มีสติมีปัญญาภายในที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนเอาไว้ก็ทำนองเดียวกันที่เดียดกันหามาณทิศที่ต่างๆที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของตนทราบ สิงด้ิ่มันเป็นคิดเป็นใครจะต้องทับไล่จะต้องสะสางออกไปไม่เก็บเอาไว้อี่าเราไหเป็นทำนองนะั้นอะไรเกิดขึ้นมาก็เก็บเอาไว้จับเอาไว้ยลางผมมาเผากายเผาใจตัวเองเพราะมันมีปัญญาสี่เจ็ดสัมลัก <c oughs> จริงๆตัวเสียออกไปเนี่ยเราคิดว่าเราคนหนึ่งมีปัญญาสามารถแต่ที่เลือันหาเจอขึ้นจากตัวเองมันไม่คันไม่ทราบเรื่องของมันมันจึงหลงไหลฝ่ฝันมันจึงบ้าบออยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสงบในดักหาคนมีปัญญา ในทางธรรมะไม่เป็นอย่างนั้น อ, อยู่สถาน ท, ที่ใดท่านก็ดูแลรักษาใจของท่านไม่ได้อารมณ์ภายนอกนี่แหลอารมณ์ภายในเกิดขึ้นมาเมือ่อใดท่านก็ทราบกำจัดขับไล่สิ่งชั่วเสียต่างๆออกไป มีกายมีใจสงบมีกายมีใจเป็นสุขทำตาจะพูดถึงตำหรับตำรามก็มากถึงมากขนาดไหนก็อนสอนมาสูกกายวาจาใจเท่านั้นเราทุกคนก็มีกายมีวาจามีใจควรจะศึกษาควรที่จะะารณา โลอันนี้มันเป็นอย่อย่างนี้เราเมื่อเกิดมันก็มีอย่างนี้ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มสาวไม่ว่าคนเศ่าคนแก่ไม่ว่าคนเจ็บคนตายมันมีมาแต่ไหนแต่ไรมันเราตายไปก็ยังคงอยู่ไม่มีอะไรที่จะนีแต่โลกไป ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้เราจะหลงเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่หลงไปตามเราเราจะรู้สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่จะได้เตียบเพราะเรารู้เรื่องของมันามันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราท่านจริงจังก็ไม่เสียใจเพราะทราบล่วงหน้าแล้วคนเกิดมาจะต้องมีการแก าการเจ็บการตายมมียาสนาไหนที่จะรักษาไม่ให้แก่ได้ไม่ให้ตายได้เกิดมาแล้วจะต้องเป็นไฟคำนองเดียวกันหมดเ <_ c oughs> ขา อ, อย่างไวเราอย่างนั้นราบในจินในใจโดยมมีทางสงสัย่งเหล่านั้นมาเกิดมาเราทราบ เรื่องของมันอยู่แล้วเราก็มีความเสียใจถ้าเราไม่ทราบเราก็เสียใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาทำไมถึงเป็นเหมือนเราไก็ไปแบบนั้นใจก็เลยฝ่อเลยเดือดร้อนเพราะไม่พอใจตามความจรินจริงของมันคนที่มีปัญญารักษาใจ มันสุกมันสบายได้ทั้งทั้งสี่กายมันเป็นอ น, นิจจังเหมือนเขาใจใจของท่านไม่ไเสียใจ ไ, ไี่ปัน่นป่วนไปตามความเป็นของกายใจสุกใจสบายปลอดภั <c oughs> ยใส่เกียร์เบยดเวยี่ก็ดีละมันจะไม่ เ, วเวลประมาก เจริพิเจนามันอยู่ธรรมดามันเหมือนเฉยมันคิดว่าหล่างใจอันนี้ไม่มีโรคภัยไปเสือมเพลินมเมาไปในเรื่องอื่นมันเกิดขึ้นเจริญพิเจนามันถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มาเน้สอนให้เรื่องทุกโวกภัยต่างๆเกิดขึ้นถึงมัน เจ็บมากพี่เจนะพอใจผู้รู้มันไม่ได้เจ็บไปด้วยมันขอใจ่ามันมีอาจมีธรรมจริงจังม่างายมันเป็นอย่างไรเวทนานเป็นอย่างไรท้างมีหมายถึงผู้ประพฤติปฏิบัติมีอาจมีธรรมในตัว ตายไปกว่าดีมันจะเป็นในทนทุกข์ต่อไปอีกยังอยู่กว่าดีเสทีเจนาเรื่องโล่ให้ถั่วถึงมันเลยถูกทุกอย่างพราทำมันถูกมันก็เลยสุขเลยสบายมีเราไม่เป็นอย่างนั้น ในสถานที่ใดก็มีแต่แต่ภัยอันตรายพอใจของตัวเป็นภัยอันตรายแก่ตัวคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ถ้านท่านี่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ยากเมื่อมันอยากมันหิวมันก็ทุกข์ถ้ามันอิ่มมันพอมันไม่ยากเมื่อไม่อยากมันก็ยิ่งทุกข์ มีใจที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเนี่สอนตัวของตัวฝึก ต, ตัวของตัวการทำนองนั้นสุดให้มันอิม่มให้มันพอ